ขอกาสพระเทราุเทร า, ร ท, ราทุกโรคแล้วก็ขอ <c oughs> ความสุขความสวัสดีจงมีแก่สาธุชนทุกท่านทุกคน <c oughs> วันนี้เป็นวันที่สองที่อยู่จังหม่แต่เป็นงานที่สี่ฉะนั้นถ้าเป็นนักมวยก็เรียกว่าบักโกรกละนะ เสียงบะไครมีและว <c oughs> พระวัดแต่ละงานก็ไปเตะแต่เจ้านี้ก็ชมัมงค์หนึ่งตะคืนวัดตำนักส่วนขวัญชมงค์เกลงถ่ายรูปหันเกลงชัง่วมงค์แต่ว่าสองงานวันนี้สองงานจ <c oughs> ะนั่นมาถึงวันนี้ก็อขออภัยเนอะทาเตะไปไอไป <c oughs> เสียงบะไครมีแล่วในเบื้องต้นขอโนโมธนาท่านอาจารย์เจ้าวาัดเปิดเนาะ ตีเปิลพัฒนาวัดไดรวดเร็วเพราะธรรมาเคยแวะมาวัดนี้ปีแล้วก็มายื้อพอเราก็บอกเปินว่าเอตรงนั่นตรงนี้น่าจะเติมตรงนั่นตรงนี้หื่งงามอย่างตรงนี้ธรตามาเคยมาแล้วก็บอกเปิลว่าไอ้ต้นโหเนี่ยมันงามงามยังยิ่งถ้าพัฒนาเป็นล้านปฏิบัติธรรมใด้เนี่ยจะวิเศษที่สุด ก็บอกเกื้อว่าเปิ้นจะลงมือทาทันทีวันนี้มาเห็นรอบไดงก็ได้หันวัดวารามตีศาส า, ส า, านนะฮะตนไม่หลายต้นก็อูได้คือมีคติทํำคารรสอนติดอยู่ที่สำคัญเป็นก็หลงต้นภยัยนะประดับประด า, ะดาตกแตง่งคือร่มรื่นเป็นวัดตีศาสานท่ า, านทั้งหลายคุณนะครับคนทนั่นเปิ้นบอกว่าบ่ต้องพออย่างนั้น เวลาเอาอย่างเข้าวัดมาถ้าต้นไม้มันเหี่ยวธัาญามันหกสะท้อนถึงคุณภาพจะอาวัดทันทีถ้าบบมันใจเขาไปยือห้องนำ้ำตาห้องน้ำสะอาดเจได้ตาห้องนำ้ำชุกระโปงก็สะท้อนนิสัยคนใจฉะนั้นวันนี้พระอาจารย์มากับพอสองอย่างหนึ่งต้นไม้ต้นตอกเขียวขจี สวยสดงดงามสองห้องน้ำก็สะอาดสะอ้าน ส, สะท้อนถึงคุ ณ, ณภาพของคนอยู่และความเอาใจใส่ของท่านเจ้าวาดฉะ <c oughs> นั้น น, นี้เป็นเรื่องเียตมาขอประกาศอนโมธนานะเดียอาจารย์เจ้าวาดเปิดได้ตั้งจิตตั้งใจพัฒนาวัดเฮลมดุ่ น, นอกไดยแมกไม้และพัฒนาคนเฮ่มดุนใน้ดยธรรม สองอย่างนี่ต้องมาเ้อยกันนะท่านทั้งหลายหนึ่งถ้าเขาเข้าวัดเขาต้องได้สองอย่างหนึ่งร่มรือนนอกโดยแมกไม่สองร่มรื่นใ น, น, นด้วยธรรมะวัดมีอยู่กับเพื่อแต่เนี่เป็นปัญเจห์ให้วัดเป็นอย่างอื่นนะถ้าเข้ามาวัดเขาต้องมั่นใจว่ามันสงบร่มเย็นเขาถึงอยากจะเข้าถ้าเข้ามาวัดแล้วมันยุ่งอย่างโมขีความเนี่ยนะ เหมือนบ้านเขาก็ยงอยู่แล้วมาวัดยงแฮมปวดหัวหแฮมแสดงว่าวัดบาไดทําหน้าดีของเแรงก็ถูกต้องฉะนั้นวัดตีถูกต้องตามความหมายที่แท้จริงถ้าเข้ามาแล้วเนหลายสิ่งหลายอย่างในวัดต้องสอนเราได้เช่นมีความสะอาดนักกว่ามีความร่มรื่นนักกว่ามีระเบียบวินัย น, นักกว่าถ้าวัดเหนือนกว่าเขาเขาจึงรู้งึกว่าอยากจะเข้าวัดแต่นั่นเป็นเรื่องของสภาพแปลรูป ถึงในทุ่ระจะต้องวัดกันตีเนื้อหานั่นคือในวัดต้องเมธรรมะถ้าวัดบะมมธรรมะก็ถือว่าวัดบดัดธดรมหน้าที่ของตัวเกา่าฉะนั้นก็ขอฝากไว้ตัวท่านคณะกรรมาการวัดทั้งหลายช่วยกันสร้างวัดของเราให้ร่มรื่นนอกโดยแมกไม้และก้าต่อไปให้ร่มรื่นในโดยธรรมะถ้าวัดได้กระทำเมธสองประการนี้แล้ว รับประกันเลยว่าคนจะไหลลังทางทุนไปเข้าโดยบัต้องทําการทลาดมันดึงไปจะไปอยู่ปลายซอยที่ไหนก็ตามโตยไปเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยไปอยู่สุดซอยเขาก็ดึงโตยไปกินไปตุ๊กไปงี้เขาก็ถึงไปคออย่างเดียวมันมีฝีมือนะฉะนั้นกานทั้งหลายถ้าวัดหนึ่งวัดมีสองอย่างนี้ถือว่าเป็นวัดชั้นนำ อันนี้ตะมาหานแล้วว่าข้อแรกร่มกวมรื่นหนักเลยแม็กไม่สอบผ่านละต่อไปก็ร่วมรื่นไหนยด้วยธรรมะเช่นวันนี้ท่านอาจารย์มหาปรเดฐเปินในมณฑลตมามาเตดจริงก็ตั้งใจไว้หลายครั้งแล้วว่าจะมาแต่ว่าบ่มีโอกาสสักทีวันนี้มีโอกาสได้มาตานป่อรัดแม่พองพันสักท้าเก้าของวัด น, นี้เหมือนกันวันนี้เปินไปตานเจดีตีละปูนเปิดในมณฑลตมาไปยกจอบฟ้า เสร็จแล้วก็ไหวามาตีวัดนี่ฉะนั้นท่านทั้งหลายมาร่วมกันอยู่นี้อาตมา ก, ก็อแบบนี้อย่างจะาฮือกล้สิน้นปีล้วเนาะจะขอฮือ้อพรอปีให ม, ม่โมโหต่านทั้งหลายสักสีคอเนอร์ฮือปากันจดกันจำเอาแล้ววันนี้ขอโอกาสอู้มเมืองด้วยนะวันนี้ขอโอกาสอู้มเมืองพรอนีสีคอเหมือนเลขสีตัวท่านทั้งหลายจดจำไวให้ดี ถ้าไถ่เอาไปเพียนี้พิจรณาและกระทําตามท่านจะมีความสุขความเจริญในชีวิตหนึ่งอย่าเสียเวลากับความหลังสองอย่าฟังเสียงป่าประมิตรสามอย่ามัวริศสยาสี่ ยาสเสวงหาเกินจำเป็น4ขอ้อเอาไปพิจิตพิจารณาถ้าผายเขาาิจเข้าใจลงมือประพฤติธปฏิบาัตาิมีความสุขแน่นอน 1. อย่าเสียเวลากับความหลัง 2. องย่าฟังเสียงป่าประมิด 4. อย่าคิดริสยา 3. อย่าคิดดิสยาและ 4. อย่าสเสวงหาเกินจำเป็น อย่าเสียเวลากับความหลังอย่าฟังเสียงป่าประมิดอย่ามัวคิดลิศยาอย่าสแสวงหาเกินจำเป็นไผที่จดจดคืตันเนอะเอา้าที่นี่มาฟังเนื้อหาพอเราเป็นยังไงตันทั้งหลายหนึ่งอย่าเสียเวลากับความหลังใกล้สิ้นปีแล้ว ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขายพคนเจาะบัญชีมานสำรวจตรวจงบดุลบัญชีว่าปีนี่กำไรหรือขาดทนุนชีวิตเฮาก็เหมือนการค้าการขายพอใกล้เส้นปีเดือนพฤศจิกาละเฮาต้องมาหนั่งทบทวนเดี๋ยวเดือนหน้าเป็นเดือนธันวาเดือนสุดท้ายเฮาต้องมาหนั่งทบทวนแล้วแบบปีตีพานมาสิบสอเดือนตกลงชีวิตเฮาปีนี่กำไรหรือขาดทนุน น, พนัพี่นพิจารณาครับมันตุกนักกว่าเก่าสแสดงว่าปีนี่ขาดทุนใหญ่ยับก็มีความสุขนักกว่าปีแล้วแสดงว่าปีนี่กําไรท่านทั้งหลายลงกูพ้พอหรอใจ๊ชีวิตมาสิ เ, เดือนละกำไรหรือขาดทุนตอบได้หรอกำไรขาดทุนปันจจัยลงเงินเป็นเรื่องความสุขความตุกในชีวิตถ้าพี่นี่พิจารณาแล้วใจ๊ชีวิตมาสิ เ, เดือน พูดซึ้ว่าเออปีนี้เขาซุกเหลือปีเลี้วแสดงว่าปีนี้ทำได้กำไรไปเต็มๆแต่ถ้า น, นั่งเกิดเพราะปีนี้เนี่ยามาตุกมาอยากสตดังระบาดอใจสามีกับมีกิก๊กลูกก่อติดยายนะุงแย่ยุงงาพืชเล็กกับปะทุนะท่าเทียตุกแสดงว่าปีนี้ท่านขาดทุน เมื่อคิดทบทวนบัญชีชีวิตแล้วแหมยังหนึ่งที่จะยังเขามีความสุขก็คือปีเก่ามันผ่านไปแล้วเขาต้องบาดเยืดอติดเตินทั้งหลายคนจำนวนมากมันจังเยืดติดปีเก่านะเวลาขึ้นปีใหม่เอาตุกปีเก่าข้ามไปตยเปืนดาจําแรงวันเสารตุกพดเจ้าวันจันทร์นะปังดีปืนบ่ายเนว่าหาปืน เราดานจาขวานปวนอูเ้เสีแล้วประกาลืมไปเหมอโมูาเามาฝังจิตฝังใจตุกอยู่ฮะเนาะปีนี้อาดามาไปเตดติสหรัฐอเมริกาไปป้าคุณยายคนหนึ่งเป็นเศรษฐีอายุ8ปิบเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยถึงหแห่งอยู่ในอเมริกา8ปดสิบเราย่งบาหวังทัพพีบาหวังแต่เลิวดอ่มีห้าร้าน กินทุกวันทานปวนว่าสมองจะฟอร์เป็นดีไม่หั่งนะแปงเฮือนอยู่ในเมริกาแล้วปิกมาอีสานมาแปลงเฮือนไปดิบ้านเกินแห็มวันเดีอวจะมาไปเปิดลงมือพัดพักบุงหัวกินเก็บไมเกม็มเงาเอาก็บอกกาบอกคนน้ำมันกันเลอะหลังมันทะนะ ว่ากันนั่งเฝ้าหนังปันชิมปันเจอคนณยายถามว่าอร่อยไหคืเอเราก็ต้องบอกว่าจะว่าจะได้อจะบอกว่าเก็มก็จะอัะอดมือตอนไหนกันนะก็เลยบอกว่าพอฉันได้พอฉันได้ไดเรื่องเพงเนเสร็จอาตมาก็ถามอายายายนึกยังไงถึงมาอยู่อเมริกาจนร่ํารวยเป็นเศรษฐีมีเงินมีทอง ยายกับเ่าเขาฟังว่ายายไม่ได้อยางมานะอเมริกาเนี่ยแต่ที่มาเนี่ยมาใช้ชีวิตอยู่เนี่ยสปีแล้วเพราะแค้นนะแค้นใครเพื่อนยายนะสิตอนเรียนหนังสือด้วยกันน่ะเขาเป็นลูกครูยายมันลูกชาวบ้านพอมาโรงเรียนมันก็จะดูถูกก่อนจบป .6 มันดูถูกยายว่านหน้าอย่างแก ชาตินี้ไม่ได้หยิบเงินล้านหรอกเท่านั้นเองนะยายฟังแ ล, ล้วโกรธโกรธโกรธสุดชีวิตกลับมาถึงบ้านกรวดน้ำให้มันเลยชาตินี้ฉันจะต้องเอาชานะแกให้ได้นะและตั้งแต่หันมาพยายามถึงที่สุ ด, ดจะไปอยู่อเมริกาเล่นหลอดไปแบบเข้าเมืองพิดก้หมายสร้างเนื้อสร้างตัวไปถึงอเมริกาภาษาอังกฤษกนึ่งกลับมาได้ ไปเป็ี่นลูกจ้างก่อนอยู่ในร้านอาหารวันหนึ่งตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเข้ามาในร้านยักขนยุงแงยุงแงบคุณยายตอนนั้นเป็นสาวได้หล่นหนีเข้าปืน้นเข้าปื้นมอแกงอาตมาถมามแล้วยายไม่ถูกจับเหรอนายรอดมาได้ยังไงยายมีของดีทอนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมาไอ้พวกนั้นมันวิ่งหนีตำรวจวิ่งตามหมดได้หลบเข้าใต้ต๊ะ แล้วยายสวดคาถาพระเจ้าห้าพระองค์เนี่ยทุกวันนี้นะคาถาเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลยได้สวดอย่างเดียวเลยตำรวจมันก็เลยมองไม่เห็นยายเอาก็ถามาโหแล้วยายสวดมันแล้วทำไมตำรวจมันไม่ได้ยินนะ่ะก็สวดในใจสิปวดร้องเจือกออตำรวจเขาร่านสามเดือรอดทุกครัง้งมีกระถาบทเดียวเดินอยู่อเมริกา จนกระทั่งต่อมาตั้งเนื้อตั้งตัวได้มีร้านถึงห้าร้านมีเงินมีทองส่งเงินมาแปงบ้านระบานเปื่อนบ้านติด เ, เคยดูถูกสมัยอยู่เพราะฮกนนนะใชข้ขาดัานตดกันแหมนะใช้ขามันก็เกยกันแล้วคนย้ายที่นี่เปิดร้ยแล้วเปิดส่งเงินมาแปลงบ้านบ้านเปื่อนบ้านแปงสองจัน่นเป็นลูกครู คนย้ายแป่งสามจันล่ำมันไปจันหนึ่งเอาชนะกันโดยขนาดของจันเลยอยู่ต่อมาคนย้ายแต่งงานมีลูกไม่เต้า อ, อายุได้ห้าสิบปดป้าหัวฝรั่งป้าลูกเก่งฝรั่งปิกมาบ้านเจิญเจ้าบ้านมัดหมู่บ้านมาจัดโต๊ะจนเลี่ยงกันมดคืนหล่องลำทําเพลง แจกซะดังเป็นเงินดอนหล่ามดเลยกงเล่ากันแล้วที่นี่เปื่อนคนณยายตีเคยดูถูกว่าจานนี่มาได้กเำไรล้านนะก็หอบลูหอบหลานมานั่งกงเล่ากันอายุห้าสิบกันละเพื่อนม็เลยถามว่าเฮ้ยฉันถามแกจริงๆอ่ะแค่นึกยังไงถึงไปอยู่อเมริกาวะคุณยายกับเมาเล่านี่แกไม่รู้จริงๆริงเหรอทำไม ก็แกดูถูกฉันน่ะฉันถึงไปอเมริกานี่ปากโกตว่าเปื่อนเปื่นเกย อ, อูดเดือเดียวดอนอยู่ปพาหกแล้วก็ลืมไปเหรอคุณยายน่ะจำฝังใจจนอยู่เมืองไทยเพราะมาได้ที้บตัวเองโจนกระทั่งประสบความสำเร็จป๊กมาเนี่ยฉันไปอเมริกาพเพราะแครน่ะดูถูกฉันน่ะเปื่อนก็เลยถามว่าจริงหรือฉันเคยพูดหรอ เพื่อนอ้ออกปาล้วาประกอลืมไหมฮะเห็มคนเก็บไปดุหิมล่มหิมไจกระเสือกกระสนไปอยู่เห็มมึงเนาะอาดมาหาคนไทยว่ายายนึกมาถึงตอนนี้แล้วยายโกรธเพื่อนไหมยายเบอร์กบอกว่าไม่โกรธถ้ามันไม่ดูถูกยายจ้างให้ยายก็ไม่ได้ดิบได้ดีหรอกทุกวันเนี้ยายกลับไปบ้านนะสร้างบ้านอินหลังหนะึ่งให้เพื่อนของยายอยู่แล้วให้มันเฝ้าบ้านไปเพราะปีหนึ่งยายกลับครั้งเดียว เอา้าทำ้ยายไปสร้างบ้านให้เพื่อนตั้งหลังหนึ่งขอบคุณมันที่มันดูถูกยายนี่ยทำให้ยายอยากเอาชนะจนได้เอนี่คือตัวยังนะคนคนที่ใจประโยชน์จากความหลังในทางได้ถูกต้องคือไผ่โดเมนทินแคลนเอามาเป็นบันไดสร้างเนื้อสร้างตัวแต่มีคนแห่งประเภทหนึ่งเวลาไผ่โดเมนทินแคลนเก็บไว้เหมือนโดนลูกผืนยิงฝั่งไหนเนี่ยแต่ได้จุ ปนดูเมนทีนขันเกินลุกขึ้นขึ้นมาสร้างเนื้อสั่งตัวแบเนี้เก็บความหลังฝังใจไว้ฮะนตุกวันจันทร์หนึ่งวันศุกร์ทำงานนักมีเวลาตุกวันเสาร์วันอาทิตย์ตุกนอนไก่นะพักให้คนเดียวอันนี้เป็นว่าพวกอยู่กับความหลังคนอื่นว่าเอาข้างเดียวแล้วเข่าลืมแต่เขาเก็บเอาความหลังมาฝังอยู่ในจิตอยู่ในใจทำใํำลายตัวเก่านับร้อยนับพันครั้ง อันนี้เพผนถือว่าเป็นคนตี้แกงห้าหาเซียนแกงชีวิตหาทุกคนอื่นเนีเขาทุกในข้างเดียวแต่ตราบได้ี่เขาปล่อยมาลงป่งมาเป็นเขาจะเก็บมาย่ำเขามีแต่งเขาข้างเดียวนะทุกข้างที่เขาขึ้นถึงเขาปล่อยมาลงป่งมาได้เต่อไปเขาเอาเม็ดมาแต่งตัวเก่านำข้างมาทวนเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมามีคุนยอมคนหนึ่งลูกจังวัดเลย นั่งรถขับรถมาคนเดียวขับรถเก่งจากจังหวัดเลยไปถึงจังหวัดเชียงรายไหลยเชิญตะวันหกร้อยกว่ากิโลเมตรพอพระอาตมาบับให้ทันทีอาตมาถามโยมทุกอย่างประนัมปเหลือในพระกันย์ยมตรันเต็จะให้ละนะโยมบอกบว่าพระอาจารย์ช่วยโยมด้วยทุกเหลือเกินถ้าโยมอยู่บ้านเองหนึ่งวันโยมต้องฆ่าพ่อโยมแน่พระอามาทําไม ก็พ่อโยมนะสิทาร้ายหัวใจหนูทําร้ายยังไงพ่อของโยมอะยิงหมาหนูเป็นเลี้ยงหมาเป็นฮักหมาเป็นลูกนะฮักอย่างกระลูกในเวลานอนก็นเอาหมานอนด้ยบนเตียงอาบน้าเพื่อห ม, อมาวันเสาร์วันติดเอาหมาไ ป, ปาสปนาะักผมเมื่อหมาแต่งเล็บเพื่อม ห, หมาฮัหมาฟักเงินเพื่อหมาด้วยนะเอาเอาหมาเป็นลูก อยู่กันสองคนในบ้านกับปอเปิลและที่นี่อยู่ต่อมาหมาเปินตอนเปินไปทํางานหมาออกไปกินไกเน่เจ้าบ้านเจ้าบ้านไหมคือจับข้งแรกปอเปินเสี่ยงไปหมื่นหนึ่งกินไก่เสี่ยงไปสามตัวอยู่ต่อมาแหมเดือนออกไปกินไก่เจ้าบ้านหําอีกปอบเสี่ยงแหมาสองหมนกินกระฝูงข้างที่สามออกไปกินหํนตัวหนึ่ง เจ้าบ้านจะเอาสามหมนปอกเกี๊ยีเกี๊ยเง่าไก่ตัวบางกี่บาทแต่มันไหนมาปั๊บแปลงพีแปลงเงาทะเลาะกับเปื่อนบ้านทะเลาะมาทะเลาะไปทะเลาะไปทะเลาะมาลูกสาวปิกมาไปด่าลูกสาวลูกสาวตกปองหมาสุดชีวิตเพราว่าหมาบางชีพิตใครมันไม่ยั่วหมากึศปลอกคนเอามัหน้ากันนะมันตราทั่วนะเออ ใครนี่มันมายั่วหมาหมามันก็อยู่ในสวนของเขานี่ถ้าไครบบม า, มายั่วหมามันจะไปยากกินไกลที่ไหนโอ้ไปโอ้มาปอกเกียรเข้เขาไปในบ้านเอาปืนมันยิงหมาสองหน้าสองตาลูกสาวลูกสาว ช, าวชอกเพราะอะไรเนเพราะพ่อเป็นคนใจบุญสุนทานทุกเจ้าตัดบาตลูกสาวกระกลื่าไปพ่อจะไม่มุมั่นเห็นทําเป็ชาติปืนมันยิงหมาสองหน้าสองตาหมาจ่าย พ่อยิงหมาไปหนึ่งนัดแต่ลูกสาวตุกเหมือนโดนยิงนับร้อยนับพันนัดพ่ออยี่ยปล่อยบรลุงผมาได้ผพดกับอีป่ อ, ปอบันแรงนะครับรถออกจากวัดเลยขึ้นจังหายขับไปให้ไปจนน้ำตาเพราะผมมีใจไหลโพสไปถึงไหลจนตะวันแหมวันหนึ่งเหล่าเฮาดามาฟังอามาบอกว่าโยมยังไงก็พ่อนะ คืนนี้พักที่นี่แหละยังไม่ต้องไปไหนอาตมาให้การบ้านข้อหนึ่งโยมโกรธพ่อมากถึงขั้นจะฆ่าพ่อนะ่ะคืนนี้อาตมาให้การบ้านไปข้อหนึ่งให้ไปชั่งน้ําหนักดูระหว่างพ่อกับหมาใครมีพระคุณมากกว่ากันพรุ่งนี้เช้ามาตอบอาตมานะตอนนี้ยังไม่ต้องคุยคุยไปโยมก็ไม่รู้เรื่องหรอกโยมโกรธขนาดนี้ สีห้าลูกมาทำวัดส่วนมนต์เสร็จเรียบร้อยละประกอบการมากราอัตามาหน้าตาดีขึ้นมากกว่าตะวานน้อยหนึ่งเอามาส่งการบ้านอัตามากรถามายมเป็นยังไงช่างน้าหนักได้หรื อ, อยังพ่อกับหมาใครมีพระคุณมากกว่ากันผนตอบส่วนมาเลยหมาเจ้าคะเนี่ยคนมันหนักหมา ธตรมะบอกว่าโอ้อาการอย่างนี้ป่อยคือปิ๊กจังวัดเลยมาได้แต่ดได้เปี้ยข้าบอกยอมอยู่ต่อไปก็นอนวัดแห่งวัดหนึงน่งปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิน้ำใาย่อยเป็นสายเสื้อขาวเปี้ยรับโบห่รับดาก็ให้อยู่ฮะน้องบัคืนทําวัดสดบนเสดก็มาหาธรานานาารมาประกอบพรมพนะน้าสารพัดมาเปิดตุก ข้หมาเปิดเปิดหักยังกระลูกคนบอว่าป่อนะมันจมีเวลาเพิ่มลุกหนูเลยแบบหักป่อหนูเลยไปอยู่กับหมาถึงมันเนี่ยหมาหนูเนี่ยหนูกับแฝงเฟซบุ๊กของมันมีสักป้านะหันก็แล้วไปกันเล่าไปสัปะอาตมากับปอเปิ่อไปปอไปปอไปก็คือกัรบ้านนายโยมพรุ่งนี้ มาว่ากันนะดีขึ้นแล้วนะพรุ่งนี้มาบอกอาตมาใหม่เอาไปชั่งน้ําหนักพ่อกับหมาใครมีพระคุณมากกว่ากันเจ้าวันที่สองเป๊กหมากับมาตอบอาตมาอ้าพ่อกับหมาใครมีพระคุณมากกว่ากันหมาสองวันนะคำตอบที่ออกมาเป็นหมาเหนือกว่าป่อโถจนกระทั่งวันที่สามเปฏิบัติธรรมตอยโมข่หนาหั่มสองรอยกว่าคน กินข้อตอนแล้วการมหาธรรมะโยมคิดออกละพ่อมีพระคุณมากกว่าหมาเพราะถ้าตอบตามความเป็นจริงว่าหมามีพระคุณมากกว่าพ่อพอาจารย์คงไม่ให้กลับยิงปลาแข็งอยู่นะนี่คือตัวอยา่างว่าพ่อยิงหมาข้างเดียว แต่กระสุนที่ยิงหมานั่นฝังอยู่ในหัวจิตหัวใจของคนเป็นลูกนับร้อยนับพันครั้งเพราะลูกสาวควายบะหลง ป, ลง ป, ลงปล๋งบะได้นี่คือมนุษย์ตีน่าสงสารดั่ทั้งหลายมนุษย์ตีเอาความทุกข์ขึ้นมาทุกข์ซ้ำทุกข์ซากเหมืนควายดั่ทั้งหลายกลางวันในควายมันไปเกี่ยวมันไปกินเน้า มันกินติกต๊กตเป็นงัวงเป็นควายเนี่ยนะกลางวันมันกินแล้วก็เกินะ ก, ะกินแล้วก็เกินบ่คืนเอาควายเขา้าแรงไปเจือท่านเอาไฟไปส่องก ม, มันจะขยอกเนี่ยมาไว้ติดกลางแล้วจะเกี้ยวเนี่ยเปิดห้องหวาควายเกี้ยวเอืองคนเฮาเหมือนกันความตุกตีมันได้จบลงไปแล้วแล้วเฮาปล่อยบ่หลงปุ่งบ่ได้ วันเดียคืนเดีฟื้นเอาความตุกนั้นมาหนัง่งเกิดให้คนเดียวเปิดเพลงเศร้าๆแห่งกำหนึ่งเจ้านังเกาหลีมาพอแห่งกำหนึ่งะนะเปิดฟักบัวหดหัวกังดึงให้ไตฟักบัวอันเนี้ยเปิดห้องว่าควายเกี้ยวเอืองคนเกี้ยวตุกคนที่อยู่กับความหลังไม่แนวโน้มจะเป็นโรคจิตเป็นโรคประสาท กินก็บมาได้นอนก็บมาลับกินแต่ยานอนลับท่านทั้งหลายเคยหันไก่กินยานอนลับก่อไก่ในเขาเลียกเคยหันมันกินยานอนลับก่อหมาก็บมกินยานอนลับนะแมวก็บมาหันมันกินยานอนลับมีก็คนอย่างเขาเนะคนที่เคยมาโดดเก้ามีปัญญาหนักหนาเนี่ยมาสามารถบังคับเพื่อถึงลับไก่โดดคุณก้อนบนกิ่งไม่ มันนอนมันกิงไม่นะมันยังหลับได้มัอนเนบ่ยประกวดทบอันมนุษย์เราเนี่เข้านอนเตียงนุ่มยังกับแพร่ใหม่เปิดแอร์เย็นจํานอนปรหลับพ่อหนาวเอาเข็มแห่งความหลังบรรเทงหัวใจตัวเก่าแตงเลีวแตงเหมแตงเลี่วแต่งเหม เ, ห เ, หเคยมีเหรออนนักศึกษาคนหนึ่งมันเรีนยนโยปีสามเนี่ยโทรศัพท์ไปหาธรรมาติวัตรเมื่อหลายปีก่อน บกกองไปถึงเอาถังสังกฐานมาเกฑบอาตมาถามมาเอาอะไรมาถวายลูสังกทานเจ้าค่ะแล้วทำไมของมันแน่นไปหมดอย่างนี้ขอเปิดดูได้ไหมนะอาตมากับเปิดพอโหในถังสังกฐานมีกางเกงยีนส์มีเสื้อกล้ามเตียวกีลาโหอันย่างเจไดเนี่ยของแฟนหนูเจ้าค่ะเอาน้ำมาถวายสังกฐานให้หน้าทาไมก็ เลิกกันแล้วนี่เขาไม่มาเอาหนูก็เลยคิดว่าเอามาถวายสังฆทานซะมันจะได้จบจบไปพอลองขอมันเนี่ยหรออันละบําแฟนเกาแหวมเนอะโู้แนะฟนกเนก่าเวรปึ๊กยัดลงในถังสังฆทานแล้วเขาสารเขาขมนะแล้บรันตาเนี่ยตัวเจ้าบออ่ะอามาร่บอกโยมเอ้ามมาออ ย, ม, อยมันทุกหนักทุกหนาขนาดนี้เลยเหรอเจ้าค่ะนะ เซ่เล้วธรรมาก็ดถามมาแล้วแฟนหนูเสียชีวิตหรือยังยังโหเอาแล้วยังไม่เสียชีวิตแล้วมาทําบนญให้เขาทาไมหนูทนไม่ได้หนูอยากกวดน้ําคว่มขันให้เขาธรรมากับปั่นปอนทุบปนต่อธรรมะยันแล้วมันเอากระดาษดึงกระดาษออกจากกระเป๋าช็อตังมาเากระไฟเขาชีดนะชุดอะไรลูกชื่อแฟนหนูเอากะพะจาย์กวดน้ําให้แล้วไงไอหมอเนี่ยมันต้องเผาชื่อมันด้วยนะ กัวมันบัตึงบอกกองรับรอนเซตอีนองโจเนนะมันใส่ชุดขาวมาเลยนะพระอาจารย์เป็นพยานให้หนูด้วยตั้งแต่นี้เป็นต้นไปหนูจะไม่แครผู้ชายทั้งโลกเอาก็ะศดุงแล้วเขาก็ปัจจัยคนหนึ่งมันหวานะมันจะจําไว้เลยนะหนูจะไม่แลผู้ชายคนไหนอีกเลยในโลกนี้ เพระเจ็บคราวนี้มันหนักนากมันทำกับหนูหนูคิดว่าเขาเป็นผู้ชายคนแรกของหนูแต่สำหรับเขาหนูเป็นแค่บันไดขั้นหนึ่งของเขาเท่านั้นพระอาจารย์จงเป็นพระญาณเลยหนูจะจดจ ำ, ำลึกไว้ว่าผู้ชายทั้งโลกไม่มีความหมายอีกต่อไปจากนี้เป็นต้นไปหนูจะเป็นครบธรรมละขนะผมันว่าอย่างนี้นะซองหน้าเอา หายแซฟไปเลยมันเจ็บพ่ออย่างมันโดนบ่าวน้อยฮักอกมันมันว่าถ้าเป็นลุนเดียวกันหักอกมันมันฮับได้นะรุ่นเดียวกันแต่นี่มันเป็นละอ่อนฮักอกมันมันบอกมันเสียสักสีที่สุดเพราะมันเป็นปีปีสามโดนน้องปีหนึ่งฮักอกมันเก็ยดไปเก็ยเงาประกาศจะมาไปยุ่งกับแหวนโดยเฉพาะจะมาพอประจ่ายแหวเลย อดาดมาก็เอิดีแล้วลูกนะถ้าเป็นไปได้หนูน่าจะปวดจากพรรษานะ <c oughs> หายเซฟไปผ่านไปอีสามเดือนมันโทรศัพท์มาแล่ะพระทานอยู่ไหมทำไมลูกหนูจะไปถวายสำรษทานอยู่สิมาดิก็มาเกือจะโมงเมงื่กมาขึ้นมากับมันนั่งอายอยู่หน้าอาด ม, าอมาาะอาดมะรำบะมากี่คนสองอีกคนอยู่ไหน ข้างล่างเจ้าค่ะทำไมไม่ให้เขาขึ้นมาเขาเป็นชาวต่างชาติเขาบอกเาขึ้นมาดิท้าก็พูดภาษาอังกฤษได้นะไปเรียกเขาขึ้นมาหายไปสักกราหนะไปจูงปะจจัยมค้นขึ้นมาอ้ไอไหวดำอย่างกระแมงเน่ยขาวกับเขียวกับตาอตจามาหามานี่ใครอะเนะี่ยอีนอ้ยก็อายหมนไปหมดมาใครอะลูก เพื่นสนิทนะบอกมาเลยพระอาจารย์ไม่ได้โง่ลูก น, นะแฟนหนูเขาก็โอเอาก็หนูบอกว่าหนูจะไม่มีแฟนไม่ใช่เหรอตลอดชาติจะไม่มองผู้ชายเนี่ย น, น้องนึกกอกเบาตอนที่สา บ, บานกับพระอาจารย์นะหนูตั้งใจไว้ว่าเฉพาะผู้ชายไทยเท่านั้นแหละอ่านก็ <c oughs> สุดท้ายเดี๋ยวนี้แต่งงานกันเหระ นี่กะตัวอย่างของคนที่ตุกเพราะความหลังฝังใจปล่อยบลอลลุ่งบ่ได้ฉะนั้นดันทั้งหลายชีวิตเฮาจะมีวันสุกก็ต่อเมื่อเฮายอมรับว่าชีวิตเฮาเนี่ยมันพิษบ่งได้มันเจ็บปวดได้มันเปลี่ยนแปลงได้ฉะนั้นเมื่อใดกระตาบที่เฮาเจอความตุกความเจ็บปวดเจอความเปลี่ยนแปลงคือมันแล้วไปแหร อันใดที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มันแล้วไปเหจะไปเอามาข้างอยู่ในเจิตอยู่ในใจเนี่ยค้นที่ปล่อยบะลลูปองบัได้เป็นค้นทีหน่าเอ็นดูเป็นค้นหน้าสัมเเหนดถ้าคนอย่างอี้เป็นคนที่ยังขึ้ตัวเก่าตกุกเหมือนนั่ง ท, ทอดียังไปที่ไหนก็ตามมีโซตรอนเต้นแข่งเต้นขาฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าไปยืดเต้นถือมันความตุกความตุกไป ใ, ใจของดีจะไปยืดเต้นถือมันมัน เมื่อปีเก่าจะสิ้นไปท่านมานั่งนบนึกทบทวนพออันใดที่ยังเหงาทุกปล่อยได้ใหอปล่อยปลงได้ใหอปลงวางได้ใือวางอัตามาได้เขียนคติธรรมไว้ฟางหื้อจดหื้อจําสําหรับพรข้อตินหนงว่าหนักเป็นเบาเมื่อเราไม่แบกจำไหมนะหนักเป็นเบาเมื่อเราไม่แบกถ้าบ่าแบกความทุกข์บ่แบกความหลังปีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามา ตั้งตนเริ่มตนชีวิตใหม่ปีที่ผ่านมามันแล้วอะไรมันล่มแล้วจากหัวมันเกิดว่มามันจบไปละคนติดตู้คือคนของปีแล้วคนประเดี๋ยวนี้เป็นคนของปีใหม่เฮ้ยเกิด อ, อ, อ, อย่างเอ๊เนี่ยแล้วท่านจับปล่อยได้วางได้สบายจิตสบายใจประกาศที่สองอย่าฟังเสียงป่าประเม็ดท่านหุ่จักป่าประเม็ดก่อป่าปะแต่ว่าบา ป, าปา มิดแปลบ้าเปลือน ป, ป่าประเม็ดแปลว่าเปลือนตีเป็นบ้าเปลือนตีเป็นคนชั่วเพื่อนตีเป็นคนเลวคนที่รอบข้างเฮานี่มีอย่างน้อยสองประเภทเนอะหนึ่งจริงๆมีสมประเภทหนึ่งกัละยาณมิตรเปลือนดีเพื่อนตีดีป่าเอาไปในทางตีดีๆเช่นวันนี้ป่าเฮามาฟังตูเจ้าเตดอันนี้เปิดห้องกว่ากัละยาณมิตรสองพันธมิตร บรรจัยติปานกเวถึงวันนี้นะพันธมิตรคือเปื้อนตี่ร่วมผลประโยชน์ด้วยกันลงทุนกล้าขายด้วยกันลงทุนทําธุรกิจด้วยกันพันธมิตรเนี่ยคบได้แต่เฮือใจไวแ้แค่ห้าสิบหาจะไปปล่อยห้หมดเพราะถ้าผลประโยชน์ลงตัวมันจะห่ากกันถ้าพิษหัว ก, กันมันจะย้อนแตงข้างหลังอันนี้เพป็นห้องพันธมิตรและสามป่าประเม็ดเพื่อนชั่วเพื่อนเลวอันนี้ห้ามคบเพราะอย่ง จะทำชั่วมันก็เอาด้วยจะทำเลวมันก็เอาด้วย 1. นึกาลยานเมดเปื่นแต่ฮือครบ 2.000 สองันธมิตรเปือนเพราะผลประโยชน์ครบได้แบบเกิงต่อเกิงเฮือใจไปแค่ 50% เหลือไว้ขึ้นต่อเก่า 50% เวลาโดนหักหลังจะไปได้เจ็บนั่งและป่าประมิดเฮือเว้นเหมือนกับมาเกาเปินสอนว่า เว่นหมาฮือปลอกเว่นวอกฮือปลวเว่นคนปลาลาฮือเว่นสักแสยนยุดป่าประมิตรทั้งหลายบัดต้องขึ้นนักว่ามันเป็นคนยังไดมันง่ายที่สุดเลยตังวันเนี้ยท่านตั้งหลายหู้จักอีลำยองก่อนูุ้้จักอีลำยองก่ออาต ม, มาเป็นคนไทยคนแรกตีพอแล้วขอเดิมลำยองจบไปละ เดี๋ยวนี้มันกําลังได้เก่งเรื่องนะแต่ตอาตมาพอจุ๊บเพราะว่าเนี่อาตมามีนารีสรุปแตละตอนออกมาเป็นคติธรรมก่อนจบตอนจําได้หรทุกตอนทุกตอนจะมีคติธรรมหนึ่งตอนหนึ่งตอนนั่นอาตมาต้องพอก่อนคนไท้ายทั้งหมดสรุปคติธรรมใส่อีลํายองเนี่ยจะทั้งหลายตี้ชีวิตมันกลายเป็นคนติดเล่าพ้อเนี่ย ติดเราติดการพา น, านันแล้วต่อไปมันจะติดโรคด้วยนะเพราะว่าเป็นครบป่าประเมศต่อเป็นขี้เล่าแม่บาได้เห็นหนังสือเพราะฉะนั้นแม่ในบัตรจ้างสอนลกูกอีลํายองเป็นคนดีคนงาอีแม่ป้าอีลายองไปหาหมอดูหมอดูบอกว่าจะตาอีลํายองต้องเป็นนางฟ้าแล้วบัดดองห่วงเด้จะมีเทพประมุขนะ ปัทตั้งหันมามันดึงไปเยอะอย่างมันแต่งตัวอย่างเดียวนะตื่นเจ้ามาแต่งเนื้อแต่งตัวท้าเล็บท้าเล็บไผ่เป็นเทพปรุษไอสันตหารเหือกิ่ น, ะ ข, นข้าวไงาแล้วรอดักไอสันทหารเหื อ, อย่างเดียวในที่สุดก็ได้แต่งงานกับเทพประมุษได้ลูกคนแรกมาจื้อวันเฉลิมแม่อยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปติดเราติดยา มันจะมีช้างหนึ่งเป็นช้างตีอัตราพอแล้วนี่ยสะเทือนใจที่สุดและเป็นชง้งติดดังที่สุดของละครตัว น, นี้คือตอนที่ลํายองทะเลาะกับผัวผัวเกียดตีลํายองมันเมาเหล้าระบาเลี่ยงโลกเอาโหลโยาดองขว้างลงน้ําหาหนอแล้วลํายองมันแย่ได้ไหมมันโดดต่อยธโมสังโคมนุษย์มันจะไปฮักฮักลํำฮักเหลือฮักเหล้าโดดต่อยโหลยาดอง อนณาจักรพอเราสะเทินใจขนาดวันนั้นนะลูกขึ้นมาเขียนกันที่ทําเลยนะเขียนว่าสุรายาเมาใครติดข้าวไม่ช้าเสียคนจําได้หรอเนี่ยแม่มันเสียคนบรู้บาลี้ขนาดนี่แต่ลูกวันเฉลิมทำไมบัดเดี๋ยวนี้คนหักขนาดรออ่อนสามคนติดได้ เ, เป็นวันเฉลิมด้วยนะหนังสือพิมพ์สัมผัสตั้งวันตั้งวันตั้งวันเดี๋ยวน่ะไอ้น้องคนเนี้ยไอ้น้องย้อน เล่นเป็นวันเฉลิมถามว่าทําไมลูกนิสัยบ่เหมือนแม่แม่เป็นขี่เล่าขี้ยานลูกออกมาเป็นพระโพธิสัตว์เพราะอย่างเพราะวันเฉลิมไปอยู่กับหลวงตาติวัดหลวงตาจะอ่านชาดกเพือฟังเรื่องพระโพธิสัตว์เกิดเป็นจ้างแล้วแลเป็นจ้างัตัญญูเลี้ยงแม่วันเฉลิมมันฟังจดชาดกเรื่งนี้แล้วมันก็ชอบ ฉะนั้นแม่มันจะเลวเลี้ยวซ้ำาชาติจะได้กระแตวันเฉลิมบ่ทิ้งแม่ทันทั้งหลายอันนี้คือตัวอย่างคนคนหนึ่งเสียคนเพราะคบป่าประเม็ดลํายองเนี่ยไปคบแม่คือยายแล้วันเฉลิมไปคบบัณฑิตคือไผ่คือหลวงตาสองคนในครอบครัวเดียวกันคนหนึ่งนรกคนหนึ่งสวรรค์นี่คือผลของการ ครบคนแตนทั้งหลายฉะนั้นแต่ต่างหลายอยู่ใกล้ไผ่ต้องระวังไว้เด็นะมนุษย์เฮาเนี่ยอยู่ใกล้คนใดจะกลายเป็นคนอย่างนั้นกรรมมาเก่าเปินสอนว่าครบหมูแห้งเป็นแห้งครบโมกาเป็นกามูุเฮาเนี่ยครบแห้งนะสักกรรมเดียวเขากลายเป็นแห้งไปย่ง ไปคบกาเขากลายเป็นกาไปเหรอไปคบหงเขากลายเป็นหงไปเหรอตอนเขาเกิดมาเป็นลูกคนทุกคนอยากจะได้กตั้นแต่เราคบคนดีไก่ก็ไก่เป็นหงได้แต่ถ้าคบคนบดีหงไายเป็นกาได้กัมมะเกาเปิร์จึงสอนว่ายามบุญมากาไก่ไกลายเป็นหงยามบุญลงหงสาเป็นกาไก่ โมโเนี่ยต้องพยายามยกตัวเกา่าเพื่อเป็นหงนะไมันจะเป็นหงอยู่ดีๆปิก๊กมันเป็นกาได้ไงฉะนั้นห้าไใกล้ขนชนิดใดเขจาจะกลายเป็นคนชนิดนั่นในสมัยพุทธกาลเปิ่นเหล่านิทาำชาดกไว้เพื่อหันต่อย่างอิทธิพนของคนที่เขาคบเช่นมีพระราชาอยู่พระองค์หนึ่งพระองค์ท่านมีต้นมาม่งอยู่ต้นหนึ่ง และมะม่วงต้นนั่นเป็นมะม่วงติปปีหนึ่งซุกหนึ่งครั้งถ้ามันซุกและผลมันจะเป็นสีท้องอารามเลยและรสชาติของมะม่วงนั้นเป็นมะม่วงตีล้ําที่สุดในโลกทุกครั้งที่เอามะม่วงเขาแตะเล่นรสของมะม่วงจะ ก, กำซาบประสาทรับรสของพระราชาจนถึงขั้นตื่นเลว ต, ตัวช้าจากหัวจะลดห้าวลาไยลํลงางำ ป่นสังทหารเฝ้าเสาสี่ชมงตรวจสุขภาพทุกต้นชมงม์มามงเนี่นะแ้มตายเด็ดขาดและพยายามพ่ออย่างไดกับพ่อปฏบ ต, ติพระราชาองค์อื่นๆก็เลยอิจฉาพระราชาองค์นี้มีของดีบแบ่งแบปันเขาจะเนยอย่างไดจะได้กินมะมงของมันพ้องในที่สุดพระราชาองค์หนึ่งก็ได้ ส่งสายรับเข้ามาปลอมเป็นคนรับใจอยู่ในวังหลวงลายสายรับเนี่ยก็剛剛ปลอมเป็นคนรับใจแเรามีผลงานได้ดีที่สุดได้รับมาหมายหื่อไปดูแลพระราชาอุทยานหลวงบอกกองมันไปดูแลพระราชาอุทยานหลวงปั๊บมันเริ่มลงมือทำลายต้นหม่าม่วงเต็มมันยัง่อย่างไดต่างทั้งหลายมันเอาสะเดากับบอกระเพทร ไปปลูกขนาบต้นมะม่วงเต็มนะตั้งซ้ายปลูกต้นสเสดาตั้งขวาปลูกต้นเถาบรพิษสมปีสปีปีที่สพระราชามาสเสวยมะม่วงปักกะเตะท้าเอาแตะเล่นนั้นล้ำจนจะบินจะสานแต่คราวนี้เอามะม่วงเต็มมาแตะเล่นทมขวา ง, งนั้นทีเพราะอย่างขม มันไม่ขมเงาตกอกตกใจว่ามะม่วงหวานมันขมไปได้อย่างไรก็เลยสั่งให้เจ้าหน้าที่ราชาบุรุษตรวจสอบตรวจพอใบก็บบนี้ปัญหาตรวจพอต้นก็บมมกบมีปัญหาตรวจพอหนวยมันก็แบบนี้ปัญหาลงไปบอหักมันแล้วมันมีปัญหาอย่างมันขมขึ้นมาได้ย่งไรตำรวจวังกับคูดลงไปสามมืด ปรากฏว่าไปพบสาเหตุที่มะม่วงหวานกลายเป็นมะม่วงคมเพราะอย่างเพราะว่าห่าของสะดามันเลื่อยลุกฟังตรงนี้มาเถาบราเพชรห่าของมันเลื่อยมาแล้วมันไปกิกกันดูดังลุ่มวันกันนะลุ่มลุ่มลุ่ ม, ม, ม, มจนพระบ่าวห่หากไผ่เป็นห่าไผ่ห่ามะม่วงห่าสะดาวห่าเถาบราเพชร หวนกันแล้กันดูดซึมซับรับเอาปุ๋ยจากกันและกันในที่สุดมะม่วงหวานกลายเป็นมะ ม, ม่วงขมพระพุทธเจ้าคล่าวสรรพว่ามะม่วงหวานยังพานขมเพราะละคนกับของขมฉัน้นใดก็เหมือนกับคนเฮาฉะนั้นคนดีไปคบคนชั่วกลายเป็นคนชั่วถ้าคนชั่วมาใกล้คนดีกลายเป็นคนดี ท่านทั้งหลายพืชพันธุ์ท่าญจะหารมันบำมีชีวิตมันอยู่ใกลอันใดมันหวั่นอันนั้นถ้าท่านไปเจอท่านเด้ไปเอาเม็ดมาทั่วไปปลูกไปหว่านเอาไม้ไปปักไกลๆมันหวั่นขึ้นมดนะหันกลัมันหู้เด้งได้แบบมันจะต้องหวั่นอันใดนี่คือสัญชาตญาณฉะนั้นท่านทั้งหลายชีวิตเขามันจะดีอ่านี้เนี่ยมันอยู่ตี๋ว่านอกจากเขาจะฮักดีแล้วสอง ข้างๆเขาไผ่อยู่ตั้งไผ่อยู่ใกล้ๆเนี่ยต้องระวังคดีอาตมาเองเติบโตมาในบ้านที่พิสาวอาตมาเป็นนอนหนังสือฉะนั้นไงมาอาตมาหันตู้หนังสือเลี้ยงเป็นตับละนะต้องใส่ก็มีต้องขวาก็มีบนขวันต้องบนผดอ่อนอหนังสือใส่ยัดเป็นหลังๆปีเขาสี่คนจกปองฮกมดแล้วหนังสือยัดหลังทิ้งไว้อาตมาเป็นน้องสุดต้อง ใหญ่ขึ้นมาหัดแต่ น, นังสือวันเสาร์วันติดปะหูยอย่างนีอย่างดึงหนังสือมาอ่านอ่านไปอ่านมาอ่านมาอ่านไปบรเดี๋ยวนี้เขียนหนังสือไป175ยเจหเล่มแปลไปแล้วประมาณส0กว่าเล่มเป็นละครไปแล้วเรื่องยังเป็นยูแหมและจะเป็นต่อไปแฮมมันมาจากอะางบ่ได้ไปเห็นอักษรรสษาตีไหนสักอย่างอ่านในยายน้ำเน่าตัวปีสาว ปีสาวัตมาสมัยนั้นเปิดอ่านชีวิตรักผู้สร้างคู่สมสาลาคนเศร้า เ, เหนเห า, นะาวยเหนาวยเงาเขาอ่านกระเบนกลายว่าชอบที่จะเขียนหนังสือทุกวันนี้ธรรมาเขียนเขียนได้ทุกประเภทตอนนี้ก็นังเขียนเนื้ายายแอบใหม่นะเดี๋ยวลองเล่าให้ฟังสักหน่อยก่อนนืยายเรื่องใหมนะ่ของธรรมะเดี๋ยวยังเป็ี่ยนละครเรื่องใหม่ น, น, นะ ม, นะมีฝรั่งอยู่คนหนึ่ง มันทำงานหนักเราเจ้านายสั่งเฮ้มันบอกว่าทำงานหนักจนป่วยยั่งไปพักค่อนมันเลยบินมาพักค่อนที่ประเทศไทยมาถึงเมืองไทยวันแรกมันไปพัทยาไปซื้อจำสซม เ, สเมื่อกี้ป้าเซมก้าจำโซมเอาพริกใส่ให้มันก๋มหนึ่งแกงฝรั่งฝรัลลงลล่งดักใส่ปากเหมือนกับตักทานไฟเข้าปากเพ็รปีเพ็รเงาโต้ไปด่าเมก้า ดไปดามาดามาดาไปกลายเป็กิ๊ ก, กันชอบเมกะฮันกลเนี่ยหลงฮักเมกะส้มตำอานมาตัง้งเจอว่าส้มตําแฮมเบอร์ เ, เกอร์นะฮันกล ร, รอพ่อนะฮักกันได้สักวันหนึ่งตัดสินใจจะแต่งงานพาแฟนไปจะไปแต่งงานที่อีสานกําลังซื้อเข้าซื้อของก่อนแต่งงานหนึ่งวันระหว่างซื้อเข้าซื้อของรถประสบอุบัติเหตุแฟนมันคองฮักตายไปฮะ เห็มล่มเห็มตายห้อยให้จะน้ําตาแ ย, ยน้ําตาตังเจ้า บ, บ้านก็เลยบอกว่าคุณน่าจะบวชนะบุชทิพย์ส่วนบนให้แฟนไอ้ฝรั่งคนนี้ก็เลยถามว่าแล้วจะให้ผมไปบวชที่ไหนอาตมาก็เขียนบดเธอว่าต้องไปบวชที่ไรจุนตะวันกัะละ่ะปุ่นไปวัดอาตมากานะ็นนะหันโกนี่เขียนบดเธอวัตดตะเกวดังเฉยเลยนะเอาก็จะเอามันลงนี้ซะกตอนได้ก็ มมเมื่อมันเจราญนะเีสุดท้ายฝรั่งคนนั้นก็ไปบวชสำนักไรจเนตะวันของอาตมาบวชได้สักวางหนึ่งมีนักศึกษามาฝึกงานตีมู ล, ลนิติของอาตมาฝึกไปฝึกมาฝึกมาฝึกไปพะฝรั่งก็ไปหลงห้างอีตัวนั้นเนี่มั่ที่นี่ฝกกับหู้เดียวแบบมันบบสมควรประก็เลยนั่งสมาธิพอว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงไปหักเปินเนาะเป็นเจได หนังสมาธิจนกระทั่งระลึกจาดได้ตัดทั้งหลายระลึกไประลึกมาระลึกมาระลึกไปก่อนไปหันใจตัวเกา่าเคยเกิดร่วมจาดด้วยกันสมัยป่อขุนบางไร้มหาร้านมีวันหนึ่งป่อขุนบางไร้เปิดเอาตุงไปตานติดด้วยตุงตุงเหงากิโลเมตรหนึ่งเจ๊จ้างสามรอยเจือคนแหมแสนหนึ่งอันเจิญตุงขึ้นด้วยสองคนนั่นเป็นคาถาบ ร, ริวารในเรือนเบียย คนเป็นแสนคนติดเจอกันกำตีนตุ้งนะนะสองคนเนี่ยมันได้กำชายตุ้งเป็นคนสุดท้ายเอาตุ้งกำไปแล้วกำแย่งหน้ากันไปแยงหน้ากันไปก็ฮักกันตอนกำตุง้งฮักกันเพราะว่าจานตุง้งก็เลยตั้งสัจ ญ, ญาที่ฐานมาเกิดทุกภพทุกชาติมาว่าสถานะฝาบทางสังคมจะเป็นยังไงเขาจะต้องเกิดมาฮักกัน นั่นแหะยังคือเกิดมาจากนี่คนหนึ่งเป็นทุเจ้าเป็นฝรั่งคนหนึ่งเป็นมาญิงยังมันหลงหักกันแอมก็หรอกฮันก็ที่นี่มันจะยังจะได้เพราะมันหักกันมาได้หลายพบหลายจ่าแล้วครับเนี่ยอาตมาก็เขียนบทไว้วันมันจะต้องมาถอนคำสาบานนี่มันมาใจยากนะนี่เขาจะไปเพิ่มบทเ่ามันต้องมาสาบานใต้ต้นสลีน่ะนะฮะเนาะเออเนี่ย มนันอย่างก็เกิดขึ้นได้นะสมัยก่อนเนี่ยธรรมาอ่านหนังสือปีสาวอ่านตัวอีปีเ ป, ป็นแลมันจะหัวมันจะมีประโยชน์ประญญามั้ยบางเดียวนี้สิ่งติธรรมาอ่านทั้งหมดมาจุ่ยเพื่อธรตมาทํางานเขียนหนังสือเขียนบทความเขียนเรื่องสัน้นเขียนนิยายเขียนกวีนิพนธ์วันนั้นคุณตันมาหาขอเขียนกวีสี่บรรทัดเพื่อเอาไปสลักใส่เห็นกรนนิบใบตินหน้าโรงงานสี่บรรทัด เป็นปุจจารูมาล่าหนึ่งสีบ่บรรทัดไดมาล่าหนึ่งเป็นบรรทัดลกักิบัตรอันนี้คือก้าตัวของนักเขียนติดแป้งค์ในุดในประเทศไทยอิชิตันหันก็เนี่ยเดือนเนี่ยธรรมะจะต้องเอาไปคืนพี่สาวถ้าอรตมาบัดได้กเกิดมาในครอบครัวที่หักก า, น, านะธรรมจะเป็นนักเขียนบัดตนทั้งหล ฉะนั้นชีวิตของเขาหนี่เขาไกลคนอย่างไรเขาจะกลายเป็นโค่นอย่างนั้นพอท่านอาจารย์บันเด็คนี่เปินไปแอวว่ดอาตมาเป็กมาเปิดเอาคําคมมาติดเต็มมัดมาเดียวเนี่ยอ่านก็ก็แน่นะ่ะถ้าเปินไปแอวหาคู่บาที่เปิดซักยันเต็มแขนนะึ็เป็กมาเปิดอาจารย์ักยันรอนก็นได้เนี่ยอ่านก็ใกล้โคนอย่างไรเขาจะกลายเป็นโค่นอย่างนั้นไกล้บัณฑิตกลายเป็นบัณฑิตไกล้นักปราดเป็นนักปราดไกล้โจนกลายเป็นโจน ใกขุนขังคำหลังเวทกันจะออกไปตั้งขุนขังคำหลังเวทพุ่นฉะนั้นท่านทั้งหลายเมื่อชีวิตของเรานี่มีอิทธิพลตมีดีมีชั่วพอได้รับอิทธิพลจากคนใกลชิดฉะนั้นพระกาศที่สองท่านทั้งหลายเลือกอยู่ใกล้คนดีหลีกหนีคนชั่วกรรมอากาเปิร์สอนไว้คบคนนี้เหมือนกอกําแพงคบคนชั่วคบคนชั่วเหมือนคุดบ่าน้ํา เวลาที่เฮาคอกัมแปงในขณะที่เฮาคอกัมแปงสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นคนกอ ก, อก็สูงขึ้นตัวกัมแปงในขณะเดียวกันเฮาคดบอ <c oughs> ่ อ, บอน้าเฮาคดบ่ อ, บอน้ำํำยิงลึกเฮาก็ลุกลงไปอยู่ในบอ่อลึกลงลึกลงลึ ก, ล ง, ล, กลงอยู่ในบอ่อน้ำํำ <c oughs> ฉะนั้นท่านทั้งหลายท่านจะเลือกกอกัมแปงหรือจะเลือกคดบ่ อ, บอน้ำเพื่อชีวิตตัวเก่าถ้าครบันเดสน้ำปราชครคนเดท่านจะสูงขึ้นเหมือนคนกอกัมแปง แต่ท่านถ้าเัดข้อขนชั่วคนเลว็วท่านก็จะต่าลงเหมือนคนคตบ่อนํานะนี่คือพอรานประการที่สองอย่าฟังเสียงปาปลาเม็ดคืออยู่ห่างขนชั่วนั่นเองนะข้อ 3. อย่ามัริษยาริษยาคือไฟสมุคขอนอยู่ในหัวอกหัวใจนี่ถ้าเอาริษยาไฟสักคนหนึ่งชีวิตเขาแบบมีความซุขริษยาเนี่ยไม่นิงจะเป็นนักกว่าประจัยเนอ เป็นเหตุเพืมันยิงไปไหนต้องพกดินสซอเขียนกิ้วตลดอดเพราะอย่างพอฤทธิ์สยาตาห้อนมันไม่กิ้วผับๆเนละเหลือกิ้วแต่ละดังวันเนี่ยไม่พิมพหมดหันก็ฉะนั้นถ้าท่านอยากเป็นโลกจิตจะไปฤทธิ์สยามไผ่วันนั้นมีนักข่าวมาถามอาจารย์วา่าเอพระอาจารย์ทำไมยังดูหนุ่มตลอดเวลากี่ปีกับปีกี่ปีกี่ปีก็น่าใสอ ย, อย่างเงี้ยมีเคล็ดลับไหมไม่เนาะ อาดามาบอกว่ามีอยากน่าใสใ น, นะโยมเนื้อหนึ่งอย่าโลภมากเกินไปสองอย่าอยากเป็นใหญ่เป็นโตสามอย่าริษยาพยาบาทอาดามาบอกไปสามข้อนะเอาบบโลภมากเกินไปชีวิตเฮามีความสุขถ้าบบอยากเป็นใหญ่เป็นโตนะนั่งไหนนอนไหนมันสบายมัย น, นะ แ้วอันที่สาคือจะไปริษยาถ้าบริษยาภ่านแล้วโคดจะมีความสุขเลยรับก็บมันต้องกึศพอม่นต้องกึศถึงไหมคนที่เอาริษยามันจะเป็นเจไดหามนุษ่นนี่ประหลานะเฮาจะเื่อเวลากับคนที่เฮาริษยานักกว่าคนที่เฮาฮั่งเจก็คนที่เฮาฮั่งเฮาจะบาดอย่างกระเปิลต่อได้อันคนใดที่เฮาริษยามันเ้าจะจับตาดูมันทุกอย่างเก้านะจับตาพอแต่เฮากับมัชอบมันเขาหลอนเขาไปเปิดเฟซบุ๊กมันพอนะ ไขู้่ความเคลื่อนไหวของมันจังกระจังเปิลเลยกันนะละสัมรักพอเฟซบุ o กเปิลแอพอว่ามันเมียอย่างคือหน้าพ่อแล้วก็เก็บเรื่องของมันมันนินทาแล้วเปืือนเห่าเนี่ยฉะนั้นทุกๆครั้งที่เห่าริษยาคนอืน่นเต่ า, เาก็บาเห่ากับลงังเพิ่มฟืนหนึ่งดุนเข้าไปในกล่องฟืนที่มันเผาอยู่ในหัวใจหัวใจเห่าดันทั้งหลายริษยาเขาคือจุดไฟเผาตัวเอง จะยกตัวอย่างให้ฟังเนอว่ามันเป็นไฟตีไรแรงขนาดไหนมีพระราชาอยู่พรองค์หนึ่งมีโอรสสององค์โอรสองค์เล็กเป็นโอรสตีไร้สยาสูงมากเสด็จป่อบรวังใจเลยพระบ้าตัวเนี่ยมันอิจฉาปี๋มันครั้นสเสด็จพ่อจะให้ปี๋เป็นเสวยราชก็บกบ้าน้องจะปฏิวัติ วันหนึ่งก็เลยอยากจะหัว่าความริษยาของเจ้าน้องเนี่ยแห้งแค่ไหนก็เลยเรียกพระโอรสองค์เล็กมาฮือพนว่าลูกพ่อจะให้พรแก่เจ้าเจ้าอยากได้อะไรขอมาเลยพ่อให้หมดโอ้ได้ยินที่ดีอกดีใจว่าขออย่างไรหมดกำลังทั้ำท้าจะขอพ่อบอกว่าแต่ทุกอย่างที่เจ้าขอถ้าเจ้าได้หนึ่งอย่าง พี่ชายของเจ้าต้องได้สองป่ออยากไปสูดว่าลูกจะใจกว้างก่อนใจฉาปีก่อนบอกกองหูเงินขายทีปุบ๊บนึกบอกออกว่าจะคออย่างพราะคออยังปีต้องได้สองอย่างเช่นขอประสาทหนึ่งหลังปีต้องได้สองหลังขอชายาหนึ่งคนปีต้องได้สองคนหูซึกงวะเอยป่าขออย่างมาได้เลยขอป่อว่าพ่อ มองฉันขอไปคิดก่อนหนึ่งคืนเป๊นไปต่ำน้ำกึตั้งแต่หกโมงหกมงแหลงถึงหกมงเช้ากึศเบ้อบอก่าจะขคอหยังพาอถ้าขออย่างดีๆอ้ปีได้มันหักมาได้สุดท้ายหกโมงเกงกระโดดลงจากเตียงดีใจได้ละถ้าเขาขออย่างนี้อี ป, ปีต้องได้แน่นอนล่นไปหาพ่อพ่อลูกคิดออกละ ว่าถ้าลูกได้อะไรแล้วพี่ก็ต้องได้สองอย่างและลูกยินดีให้พ่อดีใจเออในที่สุดมันก็เข้าใจปี่มันเนาะมันใจกว้างแล้วเฮ้ยมันบริสิยาปี่มันลนะพ่อดีใจก็เลยถามลูกว่าลูกจะขออะไรลูกจะขอให้เสด็จพ่อนะควักตาลูกออกสองข้างหนึ่งในความหมายแฝงเฮ้ออย่างปี่มันต้องโดนสองข้างเอและเนี่ย คนดิ้นสัญญาสูงอะ่ะในขณะที่มันกึศแบบมันกําลังจะทำไรคนอื่นแต่จริงจริงมันกําลังทำได้ไผ่ทำไรตัวเขาแต่มันหู้ตัวก็บ่าหู้ฉะนั้นท่าั้งหลายคนตีดิ้ยสัาคนอื่นคนแรกตีได้รับอันตรายคือไผ่ตัวเฮาเนี่ฉะนั้นบ่ ม, นมีประโยชน์สักอย่างหนาะความริ้นสัามันเหมือนไซติง ไส่ติ่งเนี่ยทำมีไว้นะท่านต้องลอวันเข้าห้องบ้านนะ่ะบะมีประโยชน์เจ็บต้องปวดไส้ติ่งขึ้นมานะถ้าพาตันก็รอดถ้าพาตั้ง ต, งตายเปิดหนึ่งห้องไวาไส้ติง่งบะมีประโยชน์ความริษยาเหมือนไส้ติ่งในชีวิตของเราฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องพาตัดออกค้ามเนถ้าท่านรับตาลงแล้วบะมีไผ่สักคนที่ท่านริษยาเลยเนี่ยนะหน้าท่านจะใส่ว่างๆนะบะต้องไป แต่งหน้าผ่าหน้าฉีดโบท็อกเซ น, น่ามัต้องหน้ามันึงอ่อนกวาไว้แต่ถ้าท่านดิสยาไข้สักโค้ดหนึ่งนะเอาแปลงเขาโปกนะเอานั่นเขาใส่เอานี่เขาใส่บางคนใส่หนาเป็นนิว้วก็ต่เมือนมีสาวสาวกูหนึ่งมาแต่งงานเสร็จแล้วกะหยกกันมาเหือดมาโหดน้นํามนอ่ะมาเอาขาจุบน้นํามตน ตบหัวเป็นน no ้ำนั่ไปนอนน้ำไหลลงนี่เป็นห้องนะหน้าเป็นเนื้อยิมป้าเนื้อแจ่มมันเด้มีกับแปงหมดเลยเนี่ยคือเหม่อนยิงมาเด้อนี่มันแต่งแต่งหน้านะเพราะหนังเพราะผิวหนังแต้แต้มันบางงามละไฟลิสยาไม่ไปหมดล่ะเลยแต่งหน้ากันหนาเตอะเลยฉะนั้นนันอยากหน้าใสนี่ปะเนี่ อยากอนุโ น, นกับบางอย่างอยากอารมณ์ดีกับบางอย่าเลิกอิจฉาริษยาคนอื่นแ ล, ล้วท่านจะหารวจิเว้นเนี่ยมีความสุขนี่พร้อประกาศที่สามและพร้อมประกาศที่สี่อย่าไปายากเกินจําเป็นอยากเกินจําเป็นคือยังไงโลกมนอุ่นหอบเนินท้าโลกแล้วม่มีความสุขาาสาาสกเช่นเขามีทีวีอยู่เครื่องหนึ่งเขาขอตึงวันตึงวันมีความสุข วันหนึ่งเขาไปเอาบ้านเปลือยโหเพื่อนมีทีวีจอแบนปิกมานังพอดีวีจอเกา่าพอบบหูเหลืองละเป็นยังเข่ได้อย่างเปลืนมีรถอยู่กันหนึ่งีข่ขีข่ไปไหนตอนไหนก็ถึงมดนะวันหนึ่งเปลือยขับรถใหม่มาคือพอพอรถจอเกา่าแบบไข่ละมีโทรศัพท์อยู่เครื่องหนึ่งใจโทรไปถึงคนนั้นคนนี้ได้มด วันหนึ่งเปลือนมาเอาเอาไอโฟอนหลวดใหม่มาโชว์ดูถูกโทรศัพท์เก่าทัานทีเนี่ยแตั้งหลายถ้าเขาโลภปับ๊บเขาจะบอกยินดีกับของที่มีอยู่และเขาก็จะอยากได้กับของถึงยังแบบนี้ชีวิตบอกมีความสุขทันทีแต่ว่ามนุษย์ที่บนโลกมันหาอยากเนอะ มนุ์ติบโลกนะเขาว่ากันว่าในโลกนี่มีสงคนนะหนึ่งคนที่ตายไปแล้วสองคนที่มาเกิดเด้ออันติดหนังอยู่นี่มันโลกดนะไม่กระทังทุเจ้ากัโลกนะนเตอเยอะเาถังสังฆทานมัดตั้งสองถังตุ๊เจ้าบางดวนสลับสังฆทานก็มีนะพ่าหรอสมัยธรรมาอยู่กรุงเทพนะ มีฮันวันหนึ่งไปกุบัดป่าตุเจ้าพิษหัวกันเอาดอกบัวฝากหัวกันส่องหน้าส่งตายงเพราะยองเปินมันตั้บาแล้วเปิดเอาเสาตา่างเส้สองสียมพูเต็มพันเลยนะตุเจ้ า, ขาเข้าแถวเปิดแหลมเลยนะปัททะทีนี้มันมีตุเจ้าต่างวัดอยู่ฮันโจนหนึ่งมันเป็นนักบินติดบินนอกนอกพรมแดนของมันบอกบินทบาสอยู่วัดเก่าไปบินทับาสวัดอื่น นะเปิดเข้าแถวกันเลี้ยงเป็นตึ๊บนะอันนี้มันมาลูกตรงไดนมาหมอโหนจู่ๆมาดัดแทนกเข้าตรงกลางเลยกะพระองค์หนึ่งถนมาได้เอาดอกบัวฟาดออกมาชงหน้าองตาธรรมะวันนั้นธรรมาหันใจธรรมะบอกกุมบาลเราปิดเขาวันนี้สะเทือนใจสะเทือนใจว่าสะตั้งซิปสะตั้งเสาอ่างนี้คือตัวเจ้าเขาฮิตหัวกันแล้วดอกบัวนั้นเปิดเอาใส่หื้อเป็นจ่อนะเปินพับอย่างดีนะ อาตมา ก, ก็กำลังหัวอดอกบัวในนอกจากปุจจาพภาเราฝัดหัวได้ตัว <c oughs> นี่ความโลนี่ยคือคนเฮาเนี่ยเสียผู้เสียขนฉะนั้นบอว่าโยมบอว่าพระตาบได้บมอมนุอรหันนะจะไปประมาทตัวเา่าบางคนชิบาชาบาทสาบาทมันหลเด่ะพอมันโนย้อยกับมันหลบด่ะโนยปั่นกับมันหลบดะมันโนย ปากองมือหนึ่งกิดละ่ะแสนหนึ่งเอาเด้อพอล้านบุ๊บเปลี่นฉะนั้นมนุษย์ติบัลลปหาได้ง่ายในสมัยพุทธกาลเป็นเล่านิทานชาดกไปเรื่องหนึ่งมีพระอินทร์อยู่องค์หนึ่งอใกล้จะเสียงบุญพระอินทร์นี่ถ้าจะเสียงบุญดอกไม้จะเหี่ยวพระอินทร์ก็เลยเกิดแบบโอ้ตายล้เขาจะเสียงบุญละ เราต้องไปหาคนมาเป็นพระอินทร์แตนกฎของการเป็นพระอินทร์นี้อยู่ว่าต้องบรรัลลปมนุษย์ตีบัลลปถึงจะเป็นพระอินทร์ได้ถ้าโลกเป็นพระอินทร์บาได้พระอินทร์ก็เลยเนรมิตตัวเก่าเป็นหนุ่มน้อยหน้าตาโอเหลาอย่างเจมจี้นี่นะลงมาเกิดในเมืองขนเป็นซ้อหามนุษย์ตีบัลลปมีความโลก คนแรกตีพระอินเจอขึอ้นไผ่หย่างเข้ามาในวัดแห่งหนึ่งผู <c oughs> ้จารวัดเอากับเข้าไปส่งทุลวงส่งเข้าส่งนําเลยหย่างสวนออกมาพระอินแปะหย่างสวนเข้าไปป้าใส่ผู้จารวัดพระยินมีนิ้ววี่งวิเศษอยู่เนิ้ยหนึ่งเอาเนิ้ยจี้ก่อนเห็นสองหน้าสองตาผู้จารพอจี้ปิ้งเป็นท้องคํา ผูจาร์จารีแต่เลือกโมสังโคตกใจยืนจังงังอยู่หัน่นพระอินยิบก่อนเห็นน้องกคำใส่มือผูจาร์ถามว่าอันนี้มันเป็นทองแท้ฮะพระอินทบอกว่าแท้ 100% ดีอกดีใจผูจาร์เนี่ยอย่าง้อมทุกล่นหนีพระอินก็โอ้ดีใจว่า้นี่พระและมนุษย์บนโลกเนี่ย ได้ท้องคำหนึ่งก้อนทำให้มันหลุดหนีปกติเป็นคนอื่นมันต้องขอเพิ่มเออแสดงว่ามนุษย์ีบอโลกในหาบอยากเฮ้ยนะพะอินกัลังดีใจว่าเออเขาถ้าจะบายินเนาะปะมนุษย์คนเด็กกับบอลโลกเลยเลยหย่างเขาวัดลึกไปแห็นน้อยหนึ่งหย่างไปสักกำหน่งได้ยินเสียงรถเข็นเคลื่อนมานักพาดังหลังวิหารอ้อมมา สั ก, กําหนึ่งพยินโผไปบอกโอ้ผู้ชานมัดคนเก้านี่โหก็มันล่นหนีมันไปอย่างมันล่นไปหลังเวหาหลวงมันไปอุ้มเอาลูกนิมิตใส่รอบห่วงมาสามลูกเอามาหาพรยินปอกเฮ้ว่าท่านจี้คือเป็นท้องืองัำได้ก่อนพยินตกใจเป็นนี้สังเวรอ้อไร น, นึกว่ามันบรลกแต่บาตัวนี้นักกว่าป่น เดินออกจากวัดไปทุกหอนทุกแห่งไปจี้ของดีวิเศนเพื่อเป็นท้องบะมีมนุษย์คนไหนที่บกคอโจรกระทังพระอินอ่อนอกอ่อนใจว่าโอ้ถ้าจะบะมีแล้วมนุษย์ทีบัโลบในมืงคนในที่สุดพดเข้าป่าไปพดเข้าป่าไปไปป่าเสร็ตุ้งอยอุแปดสิบนั่งเข้ากรรมฐานอยู่ พายินไปถึงกับก้มกับหลวงปอตุ้ยป้ะกอบเลิมตาขึ้นนะพาอินก็เลยเอามือจี้บาทบาทกลายเป็นทองคํายกบาทเข้าไปเคลื่อนตุปป้ยหลวงพ่อบาดนี้เป็นทองคํานะลูกถวายหลวงปู่มันก็บอกว่าโยมเอาทองคํามาให้มาทมําำอะไรมาอยู่ป่าไม่จำเป็นต้องใช้หรอก พระอินก็นดีใจโอ้หลวงป่ออันนี้และโคตรที่บรรลก <c oughs> ดีอกดีใจฮะแต่เพื่อความมั่นใจก็เลยต้องการทดสอบเอานิ้วจี้วิเศษจี้จอมปวกข้างกคตร่ะ ห, หลวงพ่อหันไปดูสิหลวงพ่อหันไปพอจอมปวกก็เป็นทองคำเหมือนกันพอินถามอ่ะหลวงพ่อจอมปวกเป็นทองคําลูกถวายตูปูก็บอกว่า อ ม, มันก็อย่างนั้นแหละลูกเอ้ยหลวงพ่อจะไปทําไมละ่ะทองพวกนี้โอ้พะอินมั่นใจขึ้นไมแหมเดีด๋ยวเดี๋ยวใจยิงบ๊อบพอดนะต้องหนักกว่านี้จี้ไปตั้งหลังตูวปูผูเขาทั้งเถือกดอยอินทนโนนหมดมกลายเป็นท้องคํานีมนหลวงพ่อหันไปมองสินหลวงพ่อหลวงปูหันไปมองอดอยทั้งอดอยกลายเป็นท้องคําไปครับเริ่มมีปฏิกิริยา โยมภูเขาทองคำเนี่ยมันจะเป็นทองอยู่กี่ปี <c oughs> พระอินทร์บอกว่าหลวงพ่อท่านลูกแสงมันแล้วนะมันจะเป็นไปตลอดเลยร้อยปีพันปีมันก็เป็นทองอย่างนี้แหละงั้นหรือ <c oughs> อูเซ็ทแล้วกันับดาสัมล้อมพระอินทร์ยิ้มเลยเอาละหาบปาละมนุษติบัลลกก้มลงกาบสามข้าง <c oughs> บักกองกลับเซฟจะลาปิกปะตำแหน่งเป้าหมายแล้วต่อไปจะต้องมาเจิญหลวงปู่คนเนี้ขึ้นไปเป็นพระเอ็นก่อนจะลาปิกพรอ็นก็เลยไข่หื่อของกำนันเป็นหลวงปู่ลูกเนระมิดอะไรเป็นทองคํำหลวงปู่ก็ไม่ต้องการลูกศรัทธาจริงๆก่อนจะกลับไปขอให้ลูกได้รับใช้สนองงานหลวงปู่เถอะหลวงปู่อยากได้อะไรขอให้บอก ลูกจะขอตักบาตรหลวงปู่สักมื้อนึงหลวงปู่รับา <c oughs> พระ อ, อินทร์กับเ่ว่าเออเิลท่าจะขอเข้า ข, ขอแกงเอาทองเอาคำเออมาเอาสักยาง <c oughs> ท้องแต้ปูแตอกับเาสั ก, กรหลวงปูป่ปร ล, ลมจ่าพระ อ, อินทร์ก็ถามว่าหลวงปู่อยากได้อะไรหลวงปู่ก็บอกว่าโยมของทั้งหมดในใต้่าเนอตาาไม่ได้อยากได้อะไรแต่มีอย่างหนึ่งอตาาอยากได้มา อะไรหลวงปู่บอกมาเถอะลูกจัดให้หลวงปู่ก็บอกว่าอาตมานะอยากได้นิ้วชี้ของโย ม, มพอินไงหลังเลยหันกอมันยิ่งกว่าคนหลบทุกคนตีพระอินเจอมาเพ่ออย่งมันบาบาท้องคําหมพอมจท้องขาหม่เมาดอยท้องขาหม่อมมาแจ๋วนี่เอาต้นขั่วเลย <c oughs> ตั้งหันมาพยินถึงบัรเจืยดน้ําน้ามาโนธรรม ตั้งทังหลายหันก็เช่นั้นความโลภนี่มันเป็นกิเลสในใจถ้าท่านอยากมีความสุขท่านต้องหันมันออกเกือกหนึ่งเอาโลภโมรุสันบะจบบะเส้นจานนี่บะได้ยั่งเนอมันเอาตายนะฮะลองฟังมันพอรึมันเอาตายแล้วนะความโลภนี่นะเคยหันเศรษฐีที่มีเงินแสนล้านนะมันบอกว่ายั่งก็มันบะยั่ง เจ้าเดือดเตี้ <c oughs> ฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องบอกต่อเกา่าฮึ่สะกดคำมาพอฮึ่เป็นถ้าสะกดคำมาพอมาเปลี่นชีวิตนี่บัดนี้ยั่งบัดยศบได้ยอนชีวิตเฮานั้นสั้นนักท่านทั้งหลายถ้าจะตามความโลภไปเนี่ยท่านจะตายฮก่อนฉะนั้นอาตมาขอจบโดยในทานเรื่องต่อไปนี้เมื่อร้อยกว่าปีตีแล้วเป็นยุคล่าเมืองขึ้นท่านทั้งหลาย ฝรั่งมันจะส่งกล่องเหือไปหลาเมืองขึ้นประเทศนั่นประเทศนี้นมีวันหนึ่งกัปตันคนหนึ่งเอากล่องเหือออกมาตั้งประเทศแถบเอเชียออกเดนินทางมาได้สมเดือนเกินพายุเหือแตกกลับทะเลตายเหลือแต่กัปตันคนเดียวว่ายน้ามาขึ้นฝั่งติโกประกองขึ้นฝั่งติโกได้อย่างเหยียบขึ้นไปบนเกาะ กัปตันต้องตกอกตกใจเพราะกลัวเห็นดินซ้ายบนก้อนนั้นเป็นเพชรน้นจินดาทั้งหมดเลยมันแาลีแตาเลือกตกอกตกใจว่าทําไมควรเห็นดินซ้ายบนก้อนนี้ถึงต้องเป็นเพชรน้นจินดาแล้วทําไมเจ้าก็เปิ่นถึงเบาเปิ่นถึงบางก็บบากองปะหัวหน้าเจ้าเกาะก็เลยถามว่าคนที่นี่ทําไมไม่สะสมเพชรนิลจินดาเหมือนบ้านะข้าพ เ, เจ้าละ่ะ เนี่ยที่เมืองข้าพเจ้านะเพชรนินจินดาเนี่ยเป็นของสําคัญทั้งหมดเลยใครมีคนนั้นเป็นเศรษฐีหัวหน้าเจ้าก็บอกว่าที่เกาะแห่งนี้นะไอเพชรนินจินดาพวกเนี้ยไม่มีประโยชน์สําหรับพวกเราสิ่งสําคัญที่สุดคือมะพราะ้าวใครมีต้นมะพราะ้าวคนนั้นเป็นเศรษฐีหันก็เปนเลกนะก็หันไปเอาเพชรนินจินดากินแตนเขา้าอ่ะ เนี่ยใส่ซอยขอซอยละบาทเนี่ยหอดขับเข้ามาซอยใส่ปากเกี่ยวแตนเข้าไมหมอ๋อบัตรเอทกินแตนเข้าได้หรอเบ่งห้ารอยากกินเข้ามาใส่ปากครบๆไหมอ๋อแบบนม้ฉะนั้นเงินทองเป็นของมายาเข้าป่าเป็นของจริงเช้าเกาะเปิ่นล็อกเปิ่นบะสซนเพชรนิ่งจินดาติเฮียอยู่เต็มเกาะส่วนกัปตันตาลีตาเลือกใครได้ มันก็เลยจุ้เจ้าก้อมาต่อเหอมันจะปิกบ้านปิดต่อเหอะอหล้ำใหญ่ล้ำหลงดาวสนามฟุตบอลเรามีมันคนแล้ยวนะก่อนจะปิก๊กมันก็ไปขอเจ้าก้อว่าข้าพระเจ้าอยากขอเพจเน้นจินดนาะทั้งหมดเอาใส่เหอจะได้เอาไปฝากปีฝากน้องหัวหน้าเจ้าก้อบอกว่ากัปตันขยันต่อได้ก็เอาไปเถอะพ่อของโมนี้บ้านเฮาเนี่ยบ่มีประโยชน์ มันกับบอกขึ้นเจ้าก็ขนเพชรเน้นเจดนดาใส่เหื้อกมันเต็มคนจะออกเหงือมันมก็นา ม, นกม า, น, น, า, ามนั่งเกลือกปะเจ้าวก็หงุดหนี่เง่านะขออย่างมันฮึมดจุ่แปงเหงือกกะแปงขอเพชรน้นจินดาก็ขนมาฮื้อถ้ามันเงาอย่างงี้เขาต้องจุ้มันต่อไปลงจากเหงือมาจุ้หัวหน้าเจ้าก็ว่าถ้ากระเพาะเจ้ากลับถึงบ้านนะอยากกลับมาเยี่ยมท่าน ฉะนั้นข้าพเจ้าคิ่าอยากจะขอที่เดนท่านสักแปลงนึงปลูกบ้านไว้เวลาข้าพเจ้ามาเยี่ยมท่านจะได้มีที่หลับที่นอนได้ไหมหัวหน้าเจ้าก็ก็บอกว่าโอ้อยากได้ที่เดนนะเอาสิมันก็นดีใจว่าโอขอที่อย่างงยกเฮ่อบอกเฮ้ยบางง่หรือเ ล, ล่ามันดาเปวดไหนใจเออแล้วท่านเจ้าที่แปลงไหนให้ผมหัวหน้าเจ้าก็บอกว่าที่ก่อเรานะเรามีธรรมเนียมอยู่ว่าใครมาขอที่ เราอนุญาตให้คนนั้นวิ่งเอาหกล้มตรงไหนหมดแรงตรงไหนก็ได้ที่เท่านั้นแหละปัดโถทำโมสังโคไอ้นิ่มกว้างนิ่มปากฉีสต่งใบหูมันหันไลยว่ามันจะได้ตีผืนใหญ่คืนนัน้นลับตระแตงขับออนมาแหงไว้แจง้จงมาแจ้งหกโมงกินเข้างไงแล้วมันออกล่นน ะ, จะเจ้าก็กดล่นตัยมัน ตามลักมันโนเฮาหล่นสักสิบนาทีก็ถึงบนแห้งไปหรอไปหาปักนี่มันโลบนะมันหล่นติ๊กติหอดข้าตอนมันกับบะยั่งนะบะยั่งกินข้าวหอดข้าตอนก็ยังบะยั่งมันหล่นไปติ๊กตถ้ามันจะมดแหงมันก็จะผ่อนลงผ่อนลงสักกําก็หล่นต่อตั้งแต่หอมงเจ้ามันหล่นไปติ๊กตหล่นถึงไหนได้ตีนักต่ออันจากหัวเกาะสุดหางเกาะหกมองแหลงแต่วันตกดิน ก่อนตะวันตกเดินจิ้มเพมป่หาตักนี่มันอิดหลือเกิเข้าก็บกินนั่ก็บกินมันจะเอาตีไหนที่รุดเป็นลมหน้ามืดต่าขวบลงไปบึมเม็ดนะจักรสกําสองกําลื่นหอยถ่ายเนี่ยหัวหน้าเจ้าก็กรรมสายไม่เม็ดนะเจือกวัดตัวก้นนะจะวัดเฮอมันจะวัดตีเหอมันปาก้นว่าห้องมันลุก ควรจะวัดตถีขึ้นมาล้วมันหูเรื่องละตายอ้งไปยหรอในดีสุดหัวหน้าเจ้าก็ก็เลยอูกับลูกบ้านว่าเนี่ยพวกเธอเห็นไหมมนุษย์เรามันจะต้องการที่แค่ไหนกันแท้ีิจริงที่ที่เขาต้องการนะก็เท่าที่แผ่นหลังมันนอนทับเท่านั้นแหละไอ้ความกว้างนะหรือก็เท่าที่แขนสองข้างมันแผ่ออกมาความยาวของที่ก็แค่หัวจะลดเท้าเท้าจะลดหัว แล้วดูไอ้หนุ่ม น, นี่มันจะเอาไปทําไมโอเซ็ตก็สั่งลูกน้องเอามันไปฝังมันก็เลยได้ตีของมันมาเต่าถิ่ ม, มัเตาขวบนั่นเนาะท่านกอดันทั้งหลายแต่จริงจริงมนุษย์ต้องการอะไรกันแน่คือเอาไปเกิดเนอท่านทั้งหลายต้องการอะไรกันแน่ มันจะหายไปหิมล่มหิมตายจุนเป็นตถนเอาโถนแกกับอะไรยังนะมีแล้วจะมีแหม ột, มียอดมีซักก็ะจะเอาติ๊กๆิ๊กัะมีเงินมีทองก็จะเอาติ๊กต๊กัะเมื่อนได้หัดจะยังหาจนกองเทียมฟ้าวันหนึ่งทังกระจายลายแหมมดน ะ, ะฉะนั้นจําเรื่องนี้ไว้แล้วสอนตัวเก้าว่าวันหนึ่งต้องสะกดคำแบบพอฮือเป็นเนอ อาตมาต่อนายุสามสิบหอาตมาตัดสินใจหนีจากกรุงเทพ ป, ปี5้าเปื่อนอาตมาบอกว่าท่านอย่ามาเงากำลังนี้จู่เสียงดังชุดๆเลยเป็กไปอยู่เชียงราย thấy ท, ที่บังงาของเจ้าท่านล้วนี่อาตมาบอกว่าอืเงาบังเง า, าเดี๋ยวกลุกอาตมาเป็กมาอยู่บ้านเพราะอย่างเขาอยู่กรุงเทพ มันเข้าไงออกไงแล้วไปคนแห่มหาเดี๋ยวปิ๊งมาอยู่จซี่ยงไฮ้คนติดต้อยมหาคือคนกุ้งเทพพนมดเลยแต่ถ้าอยู่กงเดบอาดมาจะโยกไปยืนเหมันอยู่จซีงไฮ้อยู่กุงเดพสิบสามปีน้ำหนักอาดามาเคยขึ้นเลยหัวมาอยู่จซงไฮ้พอหมาเดียวนี่ล้อออกทีวีเต็มจอเนี่ยน้ำหนักขึ้นเป็นหกสบสองละชีวิตอูได้หวังมีความสุข เพราางเพราะเฮาหูจักปอกับจืดเสียงมันสามารถดังกว่านี้ก็ได้แต่ธรรมะเบงไว้พราะเฮมันดังน้อยกว่านี่เฮอมันดังน้อยแต่มันดังเหมืนมนอนเพรมันดังปวดผ่าบึมบมบึมบมบ ม, บ ม, บ ม, มีเงินนักซึ่งเครงบินเจ็ตมาขี่เลยบัก <c oughs> <c oughs> ไปเลย <c oughs> เ <c oughs> นี่ยัะเนาะนึกถึงเหตุการณ์เหล่านี่แล้วธรรมาก็มีความสุขว่าถ้าเฮาบาบเบนตัวเก่าไว้ อาตมาตายแ น, น่นอนเพราะอย่ออยงอางก็ทำมันดังนังน่งนัคนมันแข็ได้ท่านก็ท่านมีสูอายุ62แล้วเขายัางเบาเว้นเลยฉะนั้นอามาหู้อะไว่าบอย่างรออยู่ตั้งาลาบสกักกะละจืดเสียงยศทรัพย์อำนาจมันไหลมาอย่างกันน้ำปลาอามาสวะเลยยังออกมาอยู่ป่าเห่งจากวัด ต, ตีดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเพราะวัดนี้เป็นวัดเดียวตีอยู่ในเหรียญน5น้าครับ อาดมายังจากวัดเห็นอนน่อนหนีเขาไปอยู่ป่าไฟกับหมีจุดตะเกียงจุดเทียนภาษาใจได้ทั้งสามปีทุกวันในชีวิตเขาตีเขาตาังมีความสุขสบายใจท่านก็ไปมาใกล้มาไกลกาห ย, ยัง่งก็อยู่ป่าสีก้าม้ากับป่าก้านอนพาะกุฏิกับมีสบายใจ มูกว่นั่นนะพนะอหรอฉะนั้นมันมีดานหลายเนี่ยฉะนั้นถ้าเฮาสะกดคําามาพอเพืเป็ียนท่านจะได้พบกับความสุขถ้าสะกดมาเปลียนแล้วท่านป้าตายมันไปนะยดป้าเฮ า, า, าป้าลาบป้าเฮาป้าชื่อเสียงป้าเฮาบ้าไหนที่สุดท่านท่านเมาสิ่งใดท่านจะตายเพราะสิ่งนั้นฉะนั้นขอฝากอารมณ์ตีเหล่ามาเนอรว่า ความโลกไร้ขีดจำกัดแต่ชีวิตเฮาจำกัดฉะนั้นเฮาต้องม้จักจัดสรรวันเวลาในชีวิตฮือม้อสมกับความโลกฮือมันพอเหมาะอควรและเจอชีวิตบนตางสายกลาภัยทำได้ทันก็จะมีความสุขเอาละฮือป้อนปีใหม่มาปอสมควรเนาะ <c oughs> สี่ข้อจำได้กอทบทวนด้วยกันเนาะหนึ่งยาเสียเวลากับความหลัง 2. อยยาฟังเสียงป่าประเม็ดร 3. มยามัวคิดปริศยาอย่ยาเสวยหาเกิดจำเป็น 4. ประการนี้ไผ่ทำได้คนนั่นจะมีความสุขตลอดปีและกะตลอดไปในด้านดีสุดนี้ขออำนวยโอยใชใ้ทุกท่านทุกคนอยู่มีใจไปให้มีโจกทุกท่านทุกคนเทิน